พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นเหมือนกับลูกเศรษฐีคนที่มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่สบายไหมมีพ่อแม่ร่ำรวยอยากจะได้อะไรอยู่กินก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่แบบลูกเศรษฐีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นเหมือนพ่อแม่ของพวกเรา เราเป็นชาวพุทธเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพ่อแม่ของพวกเราเป็นผู้ให้การดูแลพวกเราพ่อแม่ของเรานี้ถือว่าเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่กว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าสามารถซื้อสิ่งที่มหาเศรษฐีทั้งหลาย ไม่สามารถซื้อได้สิ่งที่พระพุทธเจ้รทำสามารถซื้อให้กับพวกเราได้คืออะไรก็คือวิมุตติวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์การไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของพวกเราเรียกว่าวิมุตติถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศวิมุตตินี่ก็เป็นเหมือนเครื่องปรับอารมณ์ ที่จ ะ, ป ร, ะปรับอารมณ์ร้อนร้อนทุกร้อนต่างๆให้หายไปจากใจของพวกเราเหลือแต่อารมณ์เย็นอารมณ์สบายเหมือนกับเครื่องปรับอากาศที่เราติดไว้ในบ้านของเรารเวลาอากาศร้อนเราก็ใช้เครื่องปรับอากาศปรับอากาศที่ร้อนในบ้านนี้ให้กลายเป็นอากาศที่เย็นสบาย สมัยก่อนสมัยที่มีเครื่องปรับอากาศใหม่ๆนี้ต้องคนรวยเท่านั้นถึงจะสามารถมีเงินซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดได้เออพราะสมัยนั้นราคามันแพงแล้วก็รายได้ของคนยังน้อยออจึงไม่มีปัญญาที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศได้ไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนี้คนไม่รวยก็ยังซื้อเครื่องปรับอากาศได้เพราะราคามันไม่แพงเหมือนสมัยแรกๆครับแล้วร า, ายได้ของคนสมัยนี้ก็มีมากกว่าคนสมัยก่อนเยอะจึงสมัยก่อนนี้ต้องเป็นคนรวยจริงๆถึงจะมีเครื่องปรับอากาศรถยนต์ปรับอากาศนี้แทบยังจะไม่มี มีก็ต้องสั่งมพิเศษมาจากเมืองนอกนี่คือเรื่องของคนรวยคนรวยนี้มีกําลังที่จะซื้อความสุขแต่คนรวยทั่วไปที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ซื้อความสุขทางร่างกายได้สามารถซื้อเครื่องปรับอากาศให้ทั้ง ร้อนหือเย็นก็ได้น้ำก็ปรับให้ร้อนหรือเย็นก็ไ ด, ได้ช่วงอาการหนาวสามารถปรับน้าที่มันเย็นให้กลายเป็นน้ำอุ่นจะได้อาบได้คนต้องมีเงินมีทองซื้อของเหล่านี้มาสร้างความสุขให้กับร่างกาย แต่ไม่มีใครไม่มีเงินทองอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถซื้อเครื่องปรับอารมณ์ได้ปรับความสุขทางใจได้ดับความทุกข์ทางใจได้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นต้องเป็นเศรษฐีระดับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีกำลังซื้อวิมุตติ ท่านสามารถซื้อวิมุตติมามาติดไว้ในใจของท่านได้เวลาใจร้อนทุกข์ร้อนขึ้นมาท่านก็เปิดเครื่องปรับอากาศเปิดวิมุตติพอเปิดวิมุตติขึ้นมาความร้อนใจต่างๆก็หายไปความเย็นใจสบายใจก็กลับเข้ามาเข้ามาแทนความร้อนใจเหมือนกับเวลาเราร้อนอยู่ในห้องมันร้อน มีเครื่องปรับอากาศเราก็เปิดเปิดแป๊บเดียวอากาศร้อนก็หายไปสิ่งที่เข้ามาก็คืออากาศเย็นนี่แหละคือเศรษฐีที่แท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครได้มานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นเหมือนลูกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรอสามารถที่จะรับ สิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีได้รับมรดกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนอยู่กับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีกินอย่างไรอยู่อย่างไรเราก็กินอยู่แบบมหาเศรษฐีเนี่เนื้อคือเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระรันตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ เป็นของที่มีคุณค่าราคามากกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเพราะเงินของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนี้ไม่สามารถซื้อวิมุตติได้มันแพงเกินกาลังเขามีเงินกี่แสนล้านก็ไม่สามารถซื้อวิมุตติซื้อเครื่องปรับอารมณ์มาติดให้กับใจได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่มีกำลังซื้อ ที่จะสามารถซื้อเครื่องปรับอารมณ์คือวิมุตติมาประดับไว้ให้กับใจเพื่อที่จะได้ปรับอารมณ์ให้เย็นให้สบายอยู่ตลอดเวลาให้เป็นบรล ม, มสุขตลอดเวลานี่คือเครื่องปรับอากาศของใจคือวิมุตติที่พวกเราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งได้แทนทําหน้าที่แทนกันสอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างเดียวกับที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกไม่มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนมีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกเราไม่ได้จากพวกเธอไป พเธอจะไม่อยู่ปัะสะจากาศาสดาปัสะจากอาจารย์เพราะว่าธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเราต่อไปถ้าเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆจากพระพุทธเจ้าเราก็มีที่ไปมีแหล่งที่เราไปเรียนรู้ได้คือในพระไตรปิฎกที่ รวบรวมคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันมีถึง 84,000 กันด้วยกันธรรมบทก็คือกันมีเรื่องราวที่ส่งสอนในขณะที่มีชีวิตอยู่ส่งสอนมาแล้ว3รอบรอบบ่ายสอนญาติโยมรอบค่ำสอน ภิกษุภิกษุนีราบดึกสอนเทวดาแล้วก็มีผู้จดจำกันออกมาบันเทคเอาไว้รวบรวมเอาไว้ในพระตไตรปิฎกคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านี้ก็สอนเรื่องวิมุติเรื่องการดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้นด้วย สอนในแง่มุมต่างๆในระดับต่างๆในขั้นตอนต่างๆแต่เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราศึกษาจากพระไตรปิฎกได้เราสามารถนำเอาคาสอนนี้มาปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้นี่คือแหล่งที่สอง คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ต้องสิ้นสุดลงในอายุแปดสิบปีแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ตายไม่ได้หายเพียงแต่ไม่มีร่างกายที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราได้ พระพุทธเจ้าเลยฉลาดพยายามบันทึกไว้ด้วยการแสดงธรรมทุกวันวันละสามรอบแล้วผู้ที่ฟังธรรมก็จะไปจดจำกันจะไปจดจำกันไว้แล้วก็เอามาท่องจำแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ไม่เคยไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนให้ได้ยินได้ฟังให้มาจดจำกันหน้าที่หนึ่งของพระที่มาบวชก็คือ มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาท่องจำกันมาจดจำกันท่องท่องพระสูตรต่างๆเนี่ยบทส่วนมนส่วนใหญ่นี้จะเป็นพระสูตรคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเท่นกรรมธรรมจักกับประวัตนาสูตรเนี่ยก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า สติปัฐานสูตรก็ทรงสแสดงสอนให้ภิกษุภิกษุณีรู้จักวิธีเจริญสติรู้จักวิธีเจริญสมาธิรู้จักวิธีเจริญปัญญาเพื่อวิมุติหลุดพ้นภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนไม่เจ็ดปีเนี่เป็นคำสอนแล้วก็มีการท่องจำกันจนกลายเป็นบทสวดมนต์ไปแต่ความจริงมันเป็นคำสอน ถ้าสวดแล้วไม่เข้าใจความหมายก็เป็นเหมือนนกแก้วนะนกแก้วมันก็เวลาเขาสอนให้มันพูดแก้วจ๋าแก้วจ๋ามันก็แก้วจ๋าพอเอาแก้วให้มันมันก็ไม่เอามันล้องแก้วจ๋าแก้วจ๋าที่มันอยากจะได้แก้วหยิบแก้วหยิบเพชรให้มันมันก็ไม่เอาพอมันเห็นกล้วยมันคว้ามับเลย คามจริงต้องเปลี่ยนสอนอย่าไปสานมันแก้วจ๋าต้องสานมันกล้วยจ๋ากล้วยจ๋าเพราะมันมันจะได้บอกเราไงว่ามันอยากได้กินอยากจะกินกล้วยเราไปสอนมันแก้วจ๋าแก้วจ๋าเราก็คิดว่ามันอยากจะได้แก้วเออพอหยิบแก้วให้มันมันก็เขี่ยทิ้งมันไม่เอาเออพวกเราก็เหมือนกันสวดมนต์ต่างๆเอก็คิดว่าเราอกําลังเออ่ รู้ธรรมะพอถึงเวลาเอาไปปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นเช่นสวด บ, บทแผ่เมตตาสเพสาตาอเวลาโหตุอัปยาป ช, ชาโหตนะุคิดว่ากำลังแผ่เมตตาแล้วเนะี่ยแต่พอไปเจอกันนี่แยกเคี้ยวใส่กันกายพูดจาไม่ดีด่ากันทะเลาะกันตบตีกันนะอันนี้เป็นเหมือนนกแก้วนะ เวลาสวดโอ้สวดเอาเวลาโหนตุจงอย่ามีเวรกํเรเาเถิดอัปยาป ช, ชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกันเถิด น, นี่อานิคารโหนตุเนี่ยสวดได้เวลาอยู่คนเดียวเมตตาแผ่ไปทั่วครอบจักรวาลนตัวตายพกแต่พอไปเจอคู่อะไรนี่แยกเขี่ยวใส่ทันทียิ้มไม่ออกนเนี่ยนี่ คือสวดแบบนกแก้วเข้าใจมสวดแล้วไม่เข้าใจความหมายในบทสวดมนต์ต่างๆนี้มีไว้ให้เป็นการเรียนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบทแผ่เมตตาก็สอนให้เรารู้จากวิธีแผ่เมตตาอาเวลาโหนตุก็คืออย่าจองเวรกัน ให้อภัยกันเรียกว่าเรียกว่าเมตตาเวลาใครก็พูดเขาทำอะไรแล้วทำให้เราเสียหายเราก็อย่าไปถือสาเขาให้อภัยเขาอย่างนี้เรียกว่าเมตตาไม่ใช่ไปจองเวรจองกรรมกันฟันต่อฟันตาต่อตาเพราะว่ามันจะไม่มีวันสิ้นสุดมันจะไม่ทำให้จิตสงบ ทำให้จิตไม่มีความทุกข์มันกลับจะทําให้จิตทุกข์มากขึ้นไปจากการที่เรามาจองเวรจองกรรมกันพอเขาทำร้ายเราเราก็กลับไปทำร้ายเขาพอเราไปทาร้ายเขาเขาก็จะมาจ้องทาร้ายเราเราก็ต้องคอยระวังคอยหลบคอยดลีกแต่ถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็โดนเขาทาร้ายเรา เราก็ทำลายเราเราก็โกรธก็อยากจะกลับไปทำลายเขาอีกก็กลับไปกลับมาแล้วเดี๋ยวก็แรงขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็ด่ากันไปด่ากันมาต่อไปก็ทุบตีกันต่อไปก็ทิ่มแทงกันฆ่ากันขึ้นมาเ <Yeah. S 1> yeah. นี่ยเรียกว่าไม่ใช่เป็นวิธีแผ่เมตตาไม่ได้เป็นวิธีให้ความสุขต่อกันเป็นวิธีให้ความทุกข์ต่อกัน วิธีให้ความสุข ก, กันก็คือวิธีไม่จองเวรกันหยุดนะไม่จองเวรใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรให้อภัยเขาไปไม่ตอบโต้หลบได้หลบหลีกได้หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ทำใจยอมเจ็บตัวท่านถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็เหมือนกับเดินฟ้ า, ากาศกนแล้วกัน บางทีก็เจอฝนฟ้าอากาศหลบไม่ได้ก็ต้องก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปรับความเสียหายไปแล้ว เ, เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาเนี่ยคือเรื่องของการสวดต่างๆเนี่ยความหมายจริงความเป้าหมายจริงๆก็คือให้เราเรียนรู้คำสั่งคำสอน แต่กับไม่รู้กันสวดไปแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายสวดไปเลยไม่ได้รับประโยชน์คือไม่ได้รับความรู้ความรู้ที่จะเอามาใช้ดับความทุกข์ต่างๆก็ใช้ไม่เป็นาการแผ่เมตตาเป้าหมายก็คือการมาดับความทุกข์การมาสร้างความสุขสร้างมิตรภาพเพราะการมีมิตรนี่มันดีกว่าการมีศัตรูนะ การมีศัตรูนี่มันจะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆการมีมิตรนี่ทำให้สบายใจสุขใจกันแต่ไม่เข้าใจความหมายสวยกันไปอย่างนั้นพอถึงเวลาจะเอาไปปฏิบัติกับปฏิบัติไม่เป็นพอถึงเวลาควรจะให้อภัยให้อภัยไม่ได้เวลาที่จะช่วยเหลือกันก็ไม่ช่วยเหลือกัน เวลาที่ไม่เบียดเบียนก็ห้ามไม่ได้เพราะเวลาอยากได้อะไรขึ้นมาก็ไม่สนใจแล้วว่าใครจะเดือดร้อนจากการกระทาของเราหรือไม่ถ้ามีความเมตตานี้จะต้องระวังจะต้องคิดก่อนว่าถ้าเราทำไปแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ถ้าทำให้เขาเดือดร้อนเสียหายก็อย่าทำดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย ได้ความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นนี่มันไม่ใช่เป็นความสุขที่ที่ดีมันจะมีเวรมีกรรมตามา น, นั่นเองเพราะเราจะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นให้เขามาจองเวรจองกรรมเราสวดไปแล้วไม่คิดมันจะไม่เกิดปัญญาคำสอนของบทสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาอันี้เป็นเป็นคำสอนทั้งนั้น ไม่ว่าจะบทไหนนี่เป็นคาสอนที่จะให้เรามีปัญญามีความรู้ที่เราจะสามารถนำเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆในใจของเราได้สามารถมาสร้างความสุขต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายใ น, ในใจของเราได้แต่เราต้องสวดแบบเข้าใจความหมายถ้าสวดแล้วไม่เข้าใจความหมายนี้ก็ไม่รู้จะสวดไปทำไม ได้เหมือนกันก็ได้สติถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจิตใจจดจ่ออยู่การสวดก็จะมีสติมีความสงบมีสมาธิจากการสวดได้แต่จะไม่ได้ปัญญาจะไม่ได้ความรู้ที่จะเอามาใช้ปรับอารมณ์ของใจจากทุกข์ร้อนให้กายเป็นเย็นสบายต้องใช้ปัญญา ถ้าใช้สติใช้บทสวดมนต์ก็ปรับได้เป็นพักๆเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเวลาสวดมนต์ใจก็เย็นสบายเพอระงับความคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับใจได้แต่พอหยุดสวดก็กลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจร้อนมันใจก็จะกลับร้อนขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเข้าใจวิธีปรับอารมณ์ด้วยปัญญา เมื่อรู้จักวิธีปรับแล้วมันก็จะไม่ต้องมาคอยปรับอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันมันจะปรับครั้งเดียวปรับแล้วมันก็จะไม่ไม่กลับไปทุกข์ไม่กลับไปร้อนอีกต่อไปนี่คือเรื่องของตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนถ้าเราจะอ่านเพื่อความรู้เราต้องอ่านคำแปล ถ้าเราไปอ่านคำคำดั้งเดิมภาษาดั้งเดิมคือภาษาบาลีภาษาบาลีนี้ถือว่าเป็นภาษาที่ใช้พูดในสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาบาลีก็เลยมีการนำเอามาจดจำ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้เอามาแปลเพราะคนสมัยก่อนเขาพูดบาลีกันเขาก็เข้าใจความหมายกัน แต่ต่อมาภาษาบาลีนี้ก็จางหายไปคนเลิกใช้กันมีภาษาอื่นขึ้นมาแทนที่แล้วพุทธศาสนาก็ถูกเผยแผ่ออกมาสู่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาบาลีนมาทางประเทศไทยทางพมา่าทางศรีลังกาแล้วขึ้นไปทางทิเบตจีนเนปาลเขาก็มีภาษาของเขาแต่ ผู้ที่เอาไปเผยแผ่ก็พยายามที่จะเก็บต้นฉบับเอาไว้<ม>เพื่อที่จะได้ไม่ไม่วิบัติเพราะบางทีเอาไปแปลแล้วมันอาจจะแปลแก้ไม่ตรงกับความหมายเดิมก็ได้ผู้ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยต้องสงวนต้นฉบับไว้ด้วยคือศึกษาทั้งสองอย่างศึกษาภาษาบาลี แล้วก็ศึกษาคำแปลเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ทำให้ต้นฉบับนี้เปลี่ยนไปรักษาต้นฉบับเอาไว้แล้วก็มาแปลให้กับแต่ละท้องถิ่นที่ไปเผยแพ่มาประเทศไทยเขาก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้มีไปไปหลายประเทศต่าง อประเทศที่อยู่ในทางยุโร ป, โรปเขาก็เริ่มแปลภาษาเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นปาภาษาฝรั่งเศสเพราะคนที่ท้องถิ่นเขาจะได้เข้าใจถ้าให้เขาไปอ่านบาลีเขาก็ไม่เข้าใจความหมายแต่มาถึงประเทศไทยเหล่านี้ไม่ทราบเป็นไงเรายังติดอยู่กับบาลีอยู่ติดอยู่กับการสวดบาลีด้วยอ บางที่สวดแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายของบทที่เราสวดกันญาติโยมเข้าใจไหมเวลาสวดอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธนเนี่ยมีคําแปลเนี่ยต้องไปอ่านดูกําลังสวดพระคุณของพระพุทธเจ้าคําว่าพระคุณก็คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ อรหันก็เป็นพระอรหันต์สามมาสัมพุทธก็เป็นผู้รู้ได้ด้วยตนเองผู้ตัดสู้ด้วยตนเองรู้วิมุติคนพบวิธีปรับใจให้หายพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองก็ถึงเรียกว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอารหันต์ก็คือผู้สิน้นกิเลสกิเลสก็คือผู้ที่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับใจพอ ได้ปฏิบัติได้ค้นพบวิธีปรับใจก็สามารถปรับกิเลสออกไปจากใจได้ก็เลยทำให้เป็นผู้สิ้นกิเลสขึ้นมาเราก็เรียกว่าผู้สิ้นกิเลสว่าเป็นพระอารหรันต์พระอารหันต์นี่ก็มีสองสองชนิดด้วยกันพระอรหันต์ที่เป็นอรหันต์ได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอน สอนตัวเองค้นคว้าวิธีทําให้ตนเองเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระอาหารหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยการตัดสู้โดยชอบด้วยตนเองไม่ได้ไปรู้จากคนอื่นรู้ด้วยตนเองค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจนพบวิธีที่จะทําให้จิตใจ หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆปรับกิเลสตัณหาผู้ที่เป็นสร้างตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ออกไปจากใจให้หมดสิน้นพอไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ในใจก็ใจก็วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็ได้นิพพานขึ้นมา ผู้ที่สามารถทําใจของตนเองให้หลุดพ้นได้โดยที่ไม่เป็นเรียนรู้จากใครเราก็เรียกว่าพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่ต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะมาเป็นพระอารหันตได้เราก็เรียกท่านว่าพระอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโฆเนี่ยแปลว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายนพวกนี้ไม่สามารถที่จะรู้วิธีปรับใจได้ด้วยตนเองไม่รู้จักวิธีปรับกิเลสอย่างพวกเราเนี่ถ้าไม่ได้มาเรียนรู้ไม่มีทางที่จะปรับกิเลสออกจากใจได้ขนาดเรียนรู้ยังปรับไม่ได้เลยเนีว่าแต่ ล้าทำไม่เรียนรู้จะปรับได้ยังไงนี่ขนาดมาเรียนรู้มารู้วิธีปรับกิเลสให้ออกจากใจกันยังปรับกันไม่ได้แล้วถ้าไม่รู้วิธีปรับนั้นจะไปปรับเองได้ยังไงพวกนี้เข า, าเรียกว่าเป็นอาหรารตสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ฟังคือผู้ศึกษาเป็นนักเรียนนี่คำว่าสาวกก็คือนักเรียนที่เรียนจากผู้รู้ คือคูอบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระพุทธศาสนานี้มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเ ป, เป็นพระอนันต์ที่เป็นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนอกจกนั้นเป็นพระอนันต์ตถาคตทั้งหมดอย่างตอนนี้ใครอยู่อยู่จะมาบอกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงว่าหล อ, อกลวงเพราะ ว, ว่าเป็นไม่ได้ เป็นเพราะว่าได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เขาจะพูดยังไงก็พูดได้แต่พูดตามหลักความเป็นจริงแล้วยากที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วเขาจะมาบอกว่าเขาไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเ็าปฏิบัติเองอันนี้เขาก็พูดได้แต่คนที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนะท่านจะไม่บ้ามามาบอกอย่างนี้หรอกบอกให้เสียเวลาทำไม มาบอกแล้วมาทะเลาะ ก, กับคนชาวบ้านเขาทําไมเพราะไม่มีใครเขาจะเชื่อถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเองสมมติมาเกิดอยู่ในป่าไม่เคยได้ยินได้ฟังทำแล้วไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วทําปรับใจให้กิเลสหายไปหมดได้ด้วยตนเองฮก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้แต่ท่านก็อาจจะเป็นพระปัจเจ้กับพุทธเจ้าไปเพราะท่านไม่อยากจะมาแข่งกับพระพุทธเจ้าองค์ที่เอมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ท่านก็เป็นพระปะเจกับพะพุทธเจ้าท่านก็ไม่บอกใครท่านว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าว่าท่านได้ตัดสู้ได้ด้วยตนเองแต่ถ้ามาประกาศนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วลถ้าเป็นของจริงไม่มีความปรารถนาให้ใครเขามายกย่องสรรเสริญเยินยอไม่มีความปรารถนาให้มีใครเขารู้จักเราว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาประกาศนี้ก็แสดงว่า เป็นพวกหลอกลวงนะเป็นพวกโกหกหลอกลวงขณะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าสมัยนี้มาบอกก็ไม่ได้เพราะคนก็ไม่เชื่อเพราะคนที่หลอกลวงมันก็เยอะด้วยกันก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครดีคนไหนเป็นอรหันรจริงอรหันแท้ก็ไม่รู้เพราะมันพูดได้กันทุกคนข่ายๆก็พูดได้ข้าพเจ้าสิ้นกิเลสแล้วเรามีเครื่องวัดกิเลสหรือเปล่ามันไม่มีใช่ไหม มันก็ต้องรอตอนที่เวลาตายเท่านั้นน่ะถึงจะดูว่ า, าสิ้นกิเลสหรือไม่เพราะถ้าเป็นผ้าอาหารจริงนี้ส่วนใหญ่ถ้าตายแล้วกระดูกจะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นม า, าแต่ก็ไม่แน่เสมอไปถ้าสมมุติว่ามาเป็นผ้าอาหารใกล้ตอนที่เวลาจะตายนี่มีเวลาอยู่เป็นผ้าอาหารไม่กี่วันกี่เดือนนี่บางทีเวลาที่จิตสะอา จิตจะมาฝอกกระดูกให้เป็นพระาธาตุมันมีเวลาไม่พอกระดูกก็อาจจะไม่เป็นพระาธาตุขึ้นมาก็ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เพียงแต่ว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วอยู่ไม่นานตายไปซะก่อนจิตที่บริสุทธิ์ที่อยู่กับร่างกายไม่มีเวลาพอที่จะฟอกกระดูกให้กลายเป็นพระาธาตุได้แต่ถ้าเป็น เป็นพระอาหารหันต์แล้วอยู่ไปนานเนยเป็นสิบปียี่สิบปีเนี่ยเวลาตายไปนี่เห็นไม้มกระดูกบางช่วนนี่เป็นพระธาตุขึ้นมาทันทีมีพระธาตุอยู่ในร่างกายอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายพอเผาศพเสร็จแล้วก็เหตุพระธาตุทันทีนอันนีนะ้เป็นวิธีที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่วิธีหนึ่งแต่ไม่ใช่วิธีเดียว แล้วก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พระที่พระอาหานที่ไม่เป็นพระธาตุก็มีเหมือนกันอยู่ว่าท่านบรรลุ ต, ตอนไหนก่อนตายกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าถ้าบรรลุแล้วตายตายเร็วนียเวลาจะฟอกมันน้อยก็อาจจะไม่มีพระธาตุก็ได้แต่นี่ก็เรื่องของพระอาหารหันต์เรื่องของ พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณการสวดที่เราสวดนี้เพื่อเราจะได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทำไมถึงเป็นพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติอย่างไรเหมือนกับเวลาเราอยากจะรู้จากช้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงเราก็ต้องศึกษาคุณสมบัติของช้างว่ามันมีงามีงวงมีหูเท่ากับ เท่ากับใบพัดเนี่ยพัดที่เราใช้พัดลมเนี่ยอหูใหญ่หูกลางล่างใหญ่ขาใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันเป็นคุณลักษณะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาที่เราสวดบทพระพุทธกุลพระธรรมคุณพระสังฆกุลอรหังสัมมาสัมพุ ท, โทธโธพระกวาพระหลานสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น โลกาวิชูเป็นผู้รู้โลกเป็นเป็นอะไรอิติปิโสภะกวาหลังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนผู้พร้อมด้วยวิชาจารณะวิชาจารณะคือความรู้และความประพฤติที่สวยงามเนี่ยมีมีเขียนไว้ในบทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่างๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเหล่านี้ เป็นคนแบบไหนว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ตรงกับความเป็นจริงทุกประการแต่เป็นความเป็นจริงที่พวกเราที่หูหนวกตาบอดยังมองไม่เห็นกันเพราะว่าธรรมที่พระเจ้านำมาสอนนี้เป็นธรรมที่ไม่สามารถที่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะ ต้องเห็นได้ด้วยตาใจคือตาในตาทิพนการที่จะเห็นตาเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นได้นี้ต้องปิดตานอกแล้วก็เปิดตาในคือเวลานั่งสมาธิเราก็จะปิดตานอกแล้วเราก็จะได้เปิดตาในได้มืนเวลาดูหนังนี่เราต้องปิดไฟก่อนในโรงหนังนี่ก่อนจะใช้หนังก็ต้องปิดไฟก่อน พอปิดไฟแล้วก็เปิดเอ่อเปิดเครื่องฉายหนังเครื่องฉายหนังก็จะส่งส่งส่งแสงแสงของภาพต่างๆมาปรากฏบนจอเนยอันนี้เหมือนกันถ้าเราปิดตานอกแล้วเราก็เปิดตาในเราก็จะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นนาวกเห็นสวรรค์เห็นกายทิพย์ต่างๆอยู่ในระดับชั้นต่างๆกันไป เห็นได้ถ้าเรามาภาวนามานั่งสมาธิมาปิดตานอกแล้วมาเปิดตาในากันอโดยการใช้พุทโธเป็นตัวปิดตัวปิดตัวเปิดปิดตานอกปิดตาหูจมูกนิ้นกายทางร่างกายแล้วก็ามาเปิดตาที่หูที่แล้ว เ, เดี๋ยวก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น อคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนี้มีจริงแต่พวกเรายังลังเลสงสัยกันอยู่เพราะเรายังมองไม่เห็นเพราะเราไม่ไม่ได้เปิดตาในจึงมองไม่เห็นเราจึงไม่รู้ว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติมานั่งสมาธิ มาทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นกันอันนี้ก็บทธรรมคุณสวากาโตภะกวาตาธรรมโอสันติโกแปลว่าผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอยากจะพิสูจน์ต้องปฏิบัติเองถึงแม้ใครเขาจะมาสอนมาบอกอยังไงก็เหมือนสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ถ้าอยากจะเห็นแบบสันติโกนี้เราต้องเป็นผู้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเนี่ยศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เรียกว่าสันติโกโอปนะอากาลิโกเป็นคำสอนที่ไม่มีวัน เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเป็นคำสอนที่จริงแท้เหมือนเดิมทุกประการไม่ว่าใครจะมาเกิดอยู่ในยุคใดสมัยใดสามารถนำคำสอนนี้มาพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแม้ว่าจะปฏิบัติในสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันนี้หรือสมัยอนาคต น, นี้ก็จะเห็นเหมือนกันจะเห็นมรรคผลนิพพานจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะว่านี่เป็นความจริงที่เป็นอมตะ เป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับความจริงของโลกเรานี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยกรุงเทพวันนี้กับกรุงเทพเมื่อห้สิบปีก่อนก็ เ, เห็นคลิปที่เขาถ่ายเมื่อห้าสิบปีก่อนมนาะสมัยนี้มันเหมือนกับคนละประเทศเลยอันนั้นนี่คือความจริงของโลกความจริงของโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยยังไม่เรียกว่าอาการิโก แต่ความจริงของธรรมนี่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะกาลิโกดาวโลกสวรรค์มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยมรรคผลนิพพานมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยอยู่ที่ว่าจะมีความสามารถเห็นได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองหรือไม่เท่านั้นเองเรียกว่าอะกาลิโกะ ถ้าเรารู้จักธรรมคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ไม่หลังในสงสัยหรือว่าเอ๊ะคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านั้นสมัยนั้นกับสมัยนี้มันยังใช้กันได้อยู่หรือเปล่าบางคนบอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วมันเสื่อมไปหมดแล้วคำสอนนี้เป็นคำสอนทอี่ไม่สามารถทำให้เราพิสูจน์เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แล้ว ถ้าคิดอย่างนี้ก็สแสดงว่าไม่ถูกแล้วควมสอนของพุทธเจ้านี่เป็นความความจริงทุกเวลาแม้ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมาปรับมาแก้เหมือนความรู้บางอย่างที่หนังสือบางเล่ม น, นี่ออกมาได้ห้าปีเดียวต้องมาปรับใหม่นะเช่นหนังสือเ i ดชแนลลี่ น, นี่พจนานุ ก, กรมนี่เดี๋ยวต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อย าะมีคำใหม่สับใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆสับเก่าบางทีก็เลิกใช้ไปแต่นี่ของธรรมะนี่ไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไม่มีเพิ่มเติมไม่มีขาดตกมีครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกยุคทุกสมัยเวลาเราศึกษาธรรมะแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาลังเลสงสัยว่าเอ๊ะนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่ า, าต้องไปอัปเดตก่อนเห็นไหม เดี๋ยวนี้เครื่องที่เราใช้แม้บางทีใช้แล้วบอกใช้งานไม่ได้ก็อกต้องไปอัปเดตก่อนแต่นี้ไม่มีไม่มีการอัปเดตเป็นทันสมัยอัปเดตตลอดเวลาไม่ต้องอัปเดตอันนี้คืออาการลิโก โอปัญิโกให้น้อมเอาเข้ามาในใจของเราตอนต้นเราศึกษาผ่านทางตาทางหูก่อนเราได้ยินได้ฟังเราได้อ่านธรรมะได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วเราต้องน้อมเอาเข้ามาในใจธรรมะนี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายการที่เราจะเอายามาใช้ประโยชน์กับร่างกายมารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เราก็ต้องรับประทานยา ถ้าได้รับยามาจากหมอแล้วก็วางไว้เฉยๆไม่เอามารับประทานโาครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีวันหายเพราะว่ายายังไม่ได้เข้าไปในร่างกายไปทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บธรรมะนี้มีไว้เพื่อปรับดับความทุกข์ต่างๆก็เหมือนกันถ้าไม่เอาเข้ามาในใจใจก็ยังต้องทุกข์ต่อไปแต่ถ้าสามารถเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เรามี เอาเข้ามาในใจได้เอาศีลเข้ามาในใจเราเอาสมาธเข้ามาในใจเราเอาปัญญาเข้ามาในใจเราตอนนี้ศีลสมาธิปัญญามันอยู่ข้างนอกใจมันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในคําสอนของพระอริยสงสารวกทั้งหลายเห็นหั้มเราเปิดดูหนังสือของท่านดูเพจของท่านท่านก็สอนศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นอันนี้ยังเป็นธรรมะอยู่นอกใจ เป็นเหมือนยาที่ยังอยู่นอกร่างกายอยู่ยังไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นยารักษาโรคใจเรียกว่าธรรมโอสดการที่จะเอาธรรมโอสดมารักษาโรคใจเราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาในใจวิธีที่จะเอาหนึ่งศีลสมาธิปัญญาเข้ามาในใจ ก็ต้องดึงด้วยการปฏิบัตินี้เองเอตอนนี้มีศีลห้าหรือยังเถ้ายัางไม่มีก็สร้างมันขึ้นมาสิรักษามันขึ้นมาเอต่อไปนี้จะไม่ฆ่าสัตว์นะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสซลายาเมาไม่พูดปดเนี่ยพอเราเริ่มปฏิบัติเราก็เริ่มมีศีลขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่เราจะทํำบาปเราก็บอกทําไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เราต้องการมีศีละ ถ้าเราทำบาป ก, ก็แสดงว่าเรากลับไปไปเป็นไม่มีศีลเหมือนเดิมนี่คือวิธีน้อมเอาศีลสมาธิปัญญาเข้ามาในใจเราเราต้องน้อมด้วยการปฏิบัติเหมือนการกินยาการที่เราจะเอายามารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายเราก็ต้องกินยาเอายาเข้าปากดื่มน้ำเข้าไปกืนเข้าไปมามันเข้าไปในท้องทีนี้มันก็เริ่มละลาย แล้วเดี๋ยวมันก็จะกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องการเยียวยารักษาพอกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกฤทธิ์ออกเดชแสดงผลขึ้นมาถ้ากินตามหมอสั่งพอครบสามวันห้าวันโรคภาย้ข้เจ็บก็หายได้เอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระเจ้าก็เป็นยารักษาโรคใจ เป็นสิ่งที่จะมากำจัดความทุกข์ใจต่างๆของพวกเราให้หายไปหมดไปได้จะหายไปได้ก็ต้องนี่แหละเราต้องกินยากินธรรมะกินธรรมะโอสถวิธีกินธรรมะโอสถหรือโอปัญญิโกเนี่ยก็คือปฏิบัติเนี่ยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติศึกษาก็เป็นเหมือนกับการไปรับยามาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเพราะเราต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็กำลังศึกษาศึกษาว่าวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆนี้จะต้องกําจัดด้วยอะไรก็ต้องกําจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาพอรู้แล้วเนี่ยพระสงฆ์มอบศีลสมาธิปัญญาให้เราแล้วมอบยาให้กับเราแล้วเมื่อเราได้รับยาแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาไปรับประทานเอาไปปฏิบัติด้วยอุปัญิโก การปฏิบัติคือโอปะนิโกเอาใจเอาธรรมะที่อยู่ข้างนอกใจให้เข้าสู่ในใจต่อไปทมนอกนี้ยังไม่มีประโยชน์กับใจถึงแม้จะไปออกมาจากปากของพระพุทธเจ้าเองก็ดีออกมาจากปากของพระอรหันตสาวกก็ดีถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าฟังแล้วไม่มีความยินดีที่จะ น, อน้อมนำออกไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลแ ต, แต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี่พอได้ฟังลดของสัมผัสลดแห่งธรรมที่เกิดจากการฟังว่าธรรมะนี้มีคุณประโยชน์อย่างไรสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ เราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องดีใจเสียว่าโอเราเป็นโครคภัยไค้เจ็บมานานแล้วเนี่ยหาหมอมากี่คนก็รักษาไม่หายสักทีมาเจอหมอคนนี้หมอรับประกันว่าถ้ากินยานี้แล้วหายแน่เน่แล้วมีคนที่หายจากโรคนี้มายืนยันแล้วคือพระสาวกทั้งหลายทุกทุกองเนี่ยพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆอองนี้มายืนยนันมารับประกันว่ายาของพระพุทธเจ้านี้วิเศษจริงๆ ถ้าลองได้กินแล้วต้องหายแน่นอนนะพอเราได้ยินได้ได้ยินได้ฟังได้รับการยืนยันมันก็ทำให้เราเกิดความดินดีขึ้นมาดีใจว่าโอ้เรามีโอกาสที่จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้เพียงแต่เราเอาอยานี้มารับประทานเท่านั้นเองฟังรรมมันต้องฟังแบบนี้ฟังแล้วเกิดความกระตือรือร้อนเกิดความอยากที่จะนำทำเข้ามาในใจของเรา ไม่ใช่ฟังแล้วก็ผ่านไปผ่านไปฟังกี่หนแล้วก็เหมือนเดิมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่พ่าไม่ยอมกินยากันไม่ยอมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันยังกลับไปหายาพิษมาใส่จิตใจอยู่เรื่อยๆ ย, ยาพิษก็คือราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละคือยาพิษนี่ กินเข้าไปแล้วก็ปวดท้องท้องเสียแล้วก็ร้องโอดควรคลางแต่ก็ไม่เข็ดไม่จําพอหายแล้วก็กลับไปกินใหม่ไม่ยอมกินยาขม ท, ทันทีสินสมาธิปัญญามันเป็นเหมือนยาขมกินลำบากหน่อยกินยากหน่อยกว่าจะเอาสินเข้ามาในใจได้นี่แหมมันเหนื่อยนะมันต้องต่อสู้กับกิเลส คนที่เคยโกโหกนี่จะต้อมาฝึกไม่ให้โกโหกนี่เหมมันยากนะนคนที่ชอบเสพประเวณีผิดประเพณีนี่ก็จะมาให้เลิกนี่มันก็ยากคนที่ชอบเดิมสูลายาเมาใ ห, anim? ให้เลิกดื่มสูลายาเ ม, มามันก็ยากคนที่ชอบชอบโกงรักทรัพย์นี่มันก็ยากชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ยากที่จะให้เลิกเนี่ย แต่มันต้องทำํำนะถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้ออถึงแม้ยามันจะขมขนาดไหนกินยากขนาดไหนถ้าอยากจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องยอมทนนะทำไมได้ยอมให้เขาผ่าใช่ไหมถ้าถ้าหมอบอกต้องผ่าก็ยอมถึงแม้ว่ากลัวจะเจ็บกลัวจะอาจจะตายก็ยังต้องยอมเพราะมันไม่มีทางเลือกะทางเลือกที่ดีกว่านี้มันไม่มีะถ้าไม่รักษาก็ตายหรือเจ็บไปจนวันตาย ถ้ารักษานี้ก็หายจะเอาอย่างไรแต่ช่วงที่รักษานี้ต้องเจ็บหน่อยต้องฉายแสงต้องคเโมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ทําแล้วเดี๋ยวพอเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวโรคภัยค่าเจ็บก็หายไปกลับมาอยู่อย่างปกติสุขต่อไปเราต้องคิดอย่างนี้เราถึงสามารถที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าเอ ทางเลือกที่ดีกว่านี้ไม่มีถ้าอยู่แบบเดิมๆก็ต้องทุกข์แบบเดิมนี้ไปทุกข์เหมือนกับที่เราทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้แต่ถ้าเราได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจแล้วเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง น, นเรื่องของความทุกข์ใจของเราว่ารู้สึกมันน้อยลงไปคอยมีมากกว่านี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเบาลงไปเบาลงไปความหนักอกหนักใจน้อยลงไป ความเบา อ, อกเบาใจเพิ่มมากขึ้นความสบาย อ, อกสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะถ้ามันเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติแล้วทีนี้มันก็จะเกิดฉันทะความยินดีเกิดอิทธิบาทสีขึ้นมาอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นนะในเบื้องต้นนี้ต้องฝืนต้องบังคับก่อนถ้ามันยังไม่ยินดีเพราะมันยังไม่ได้สัมผัสกับผลมันสัมผัสแต่ลดของความขมของยา เพราะว่าจะปฏิบัติแต่ละขั้นนี่แหมมันไม่ใช่ง่ายๆนะจะให้รักษาศีลนี่มันก็ยากจะให้ไปดั่งสมาธิมันก็ยากให้ฟังเทศฟังธรรมมันก็ยากมันไม่อยากมันไม่ชอบเหมืนอนยาขมไม่เหมือนกับไปเที่ยวมันง่ายเหมือนกินขนมหวานไปดูหลังดูละครนี่ฟังเพลงนี่โ้ฟังได้ทั้งวันทั้งคืน แต่มันไม่มีประโยชน์มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะทำให้ทุกข์ทรมานเลยต้องติดเสพมันไปเรื่อยจึงทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองเพราะเวลามาปฏิบัติธรรมก็ต้องระ ง, งับการเสพยาเสพติดเหล่านี้ พอเราต้องระ ง, งับมันก็ทําให้เกิดความบุดเกิ็ดําคาญใจขึ้นมาทําให้การปฏิบัตินี้รู้สึกว่ามันแหมมันไม่มีอารมณ์เลยไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าบังคับเหมือนกับคนที่จะต้องผ่าตัดหรือว่าต้องทนเอาหน่อยช่วงผ่าตัดนี้ต้องทนเจ็บยอมเจ็บเอาหน่อยช่วงปฏิบัตินี้ก็ต้องทนกับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆ ที่เกิดจากการไม่ได้ไปเสพ ย, ยาเสพติดอย่างที่เคยเสกเนก็พอฝืนได้บังคับได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้พอเริ่มเอายาเข้าไปในใจแล้วทีนี้มันเริ่มออกผลแล้วความหงุดหงิดลำคาญใจจะเริ่มเบาลงไปน้อยลงไปความอึดอัดอะไรต่างๆจะน้อยลงไปความเบาอกเบาใจความสุขใจจะเพิ่มขึ้นมาพอเห็นฤทธิ์ของยาออก ออกผลแล้ทีนี้ก็จะเริ่มมีกําลังใจแล้วทีนี้เริ่มมีกําลังใจที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นละตอนต้นแบบต้องเข็นคกขึ้นภูเขาแต่ต่อไปพอได้รับผลแล้ทีนี้มันก็เบาละเหมือนกับเข็นคกบนพื้นราบละไม่ยากเหมือนตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นนี้เหมือนเข็นคกขึ้นเขาแต่พอได้ปฏิบัติไปในระยะหนึ่งแล้วเริ่มเห็นผล แล้วมีแรงต่อต้านลดน้อยลงไปมันก็เลยเหมือนกับเข็นโคกบนพื้นลาบง่ายกว่าแล้วต่อไปมันจะเหมือนเข็นคกลงเขาล่ะทีนี้มันจะขยันหมั่นเพียรมันจะปฏิบัติแบบอัตโนมัติเนี่ยพอเข้าสู่ระดับมหาสติมหาปัญญาแล้วทีนี้มันไม่ต้องบังคับเลยมันมีแต่จะคอยเบรกมันให้มันพักผ่อนบ้าง มงนมันอยากจะขึ้นเวทีสู้กับกิเลสตลอดเวลาจนบางทีไม่ไม่ไม่ได้รับพักผ่อนหลับนอนจนเกิดอุทธัจจะขึ้นมาเนี่ยอุทธัจจะตัวนี้เป็นตัวอีกตัวต่างจากอุทธัจจะของนิวรนิวรณ์นี่มันเป็นตัวฟุ้งซ่านแต่อุทธัจจะของมหาสติมหาปัญญานี่มันเป็นตัวความยินดีอยากจะกำจัดกิเลสให้มันหมดสิ้นไปจากใจ มันจึงไม่อยากจะพักผ่อนหลับนอนไม่อยากจะเสียเวลามันอยากจะกาจัดกิเลสเพราะพอกําจัดได้แต่ละตัวนี่มันสุขมากขึ้นสบายใจมากขึ้นมันเลยบางทีเลยเถิดขึ้นมาอันนี้เป็นอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องบนมีอยู่ห้าตัวหนึ่งในห้านี้ก็คืออุทธจัจจะนพวกที่เข้าสู่ระดับ อรหัตมากอรหัตผลเนี่ยท่านเรียกว่ากำลังเข้าสู่ระดับมาหาสติมาหาปัญญาทีนี้เป็นเหมือนตอนเดินลงเขานะพวกที่เริ่มฝึกศีลสมาธิใหม่ๆนี้เป็นเหมือนพวกเข็นคกขึ้นเขานะพอได้ระดับของพระอริยบุคคล น, นี้เหมือนกับเข็นคข น, นคลบนทางลาบนะไ ม, ไ, ม ไ, มไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเหมือนกับตอนเริ่มต้น พอได้บรรลุขั้นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแนละ้วทีนี้การปฏิบัติเริ่มรู้สึกเบาขึ้นและสบายขึ้นเยอะแล้วมันจะง่ายขึ้นไปมากขึ้นไปเนะี่ยพอขั้นสู่ขั้นสุดท้ายนี่มันแบบลงเขาแลที่มันอยากจะให้ไปให้แบบแบบไปให้มันถึงจุดหมายปลายทางมันเลยไม่อยากจะหยุดเสียเวลาพักผ่อนหลับนอนมันเลยก็ทํากลายเป็นนิวรนกลายเป็นอุปสรรคขึ้นมา ทำให้จิตนี้ไม่ไม่เป็นกลางทำให้จิตไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นปกติได้เพราะเกิดความอยากจะบรรลุให้มันเร็วๆนั่นเองก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคขวางกัเนอย่างพระอ น, นุนนี้ก็มาเจอไอ้ตัวนี้ตอ น, นคืนสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงพยากรณดว่าอนนท์หลังจากที่เราตายไปแล้วสามเดือนเธอจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอเสร็จภารกิจงานศพของพระพุทธเจ้าอานนท์ก็ไปปีกวิเวกแล้วมหาสติมหาปัญญาเริ่มหมุนล่ะนี้ไปเพียรปฏิบัติจเจริญปัญญาเพื่อกำจัดนิวรเพื่อเพื่อกำจัดสังโยชน์ขั้นต่างๆรู้สึกว่าตอนนั้นท่านได้ขั้นโสดาบันแล้วแล้วท่านไป นําไปกำจัดสังโยชน์ตัวที่เหลืออยู่ไปกำจัดการมาราคะปฏิฆะพอกำจัดการมาราคะปฏิฆะได้ก็เข้าไปสู่ระดับสังโยชน์เบื้องบนคือเข้าไปสู่อาราตาัตนมรรค ตอนนั้นก็มหาสติมหาปัญญาก็เริ่มทำงานแล้วทีนี้ไม่ขี้เกียจนะมีแต่ต้องคอยเบยรมันไว้แต่ทีนี้ท่านถูกเวลากำหนดไว้ท่านก็เลยเคยรียดขึ้นมาพระเจ้เจ้าบอกว่าเดี๋ยวสามเดือนเธอจะบรรลุนี่คืนสุดท้ายแล้วว่ายังไม่บรรลุสัที จิตยังยังไม่สงบอย่างเต็มที่จิตยังทุกยังวุ่นวายอยู่ก็ทุกข์กับวุ่นวายกับไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่พระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะบรรลุแล้ยังไม่บรรลุแล้วก็พยายามทำยังไงมันก็ไม่ยอมบรรลุสักทีจนเกือบจะสว่างแล้วะแตงว่าปองแล้วว่ากูคงจะไม่บรรลุเอ <laughs> เลยเตรียมตัวจะไปนอน ระหว่างที่กาลังจะระหว่างท่านั่งกับท่านอนตอนนั้นก็บรรลุขึ้นมาทันทีเพราะปล่อยวางความอยากความอยากที่จะบรรลุนี่ไอตัวนี้มันก็เป็นกิเลสเป็นภาวะตัณหาความอยากจะบรรลุผู้ที่จะบรรลุนี้ต้องหยุดความอยากตัวนี้ด้วยด้วยการทาปฏิบัติไปทำใจให้มันเป็นกลางให้มันอย่าคิดปรุงแต่งอย่าไปอยาก หรือไม่อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแค่นั้นแหละมันก็หลุดเลยพอปองว่าครูคงไม่ได้บรรลุแล้วก็เลยหยุดความอยากที่จะบรรลุขึ้นมาพอเตรียมตัวจะพักผ่อนหลับนอนเพราะไม่ได้นอนมาหลายวันเครียดอยู่กับไอ้เรื่องพันปยากรของพระเจ้านี่ว่าสามเดือนเธอจะต้องบรรลุแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาจะมีประชุมกันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเราไม่บรรลุเราก็เข้าประชุมกับเขาไม่ได้ มันก็เลยแทนที่จะมาภาวนาก็มาวิตกกับคำพยากรณ์วิตกกับอนาคตใจเลยไม่เป็นปัจจุบันถ้าใจไม่เป็นปัจจุบันมันก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้เข้าสู่นิพพานไม่ได้พอปองแล้วว่าอาดีตคือคำพยากรณ์ของทาา่าเจ้านี้มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เพราะอนาคตมันจะมาถึงอยู่แล้วนี่เรายังไม่บรรลุเลยก็เลยตัดอดีตตัดอนาคต พอตัดปั๊บจิตกลับสู่ปัจจุบันเตรียมตัวจะนอนมันก็เลยบรรลุช่วงนั้นทันทีนี่ก็เป็นเรื่องของอการน้อมเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติซึ่งในเบื้องต้นนี้มันจะเป็นเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาต้องพยายามต้องต้องสู้นะแล้วมันจะเบาขึ้นไปเรื่อยๆขั้น ขั้นตอนของการรักษาศีลสมาธินี่มันจะรู้สึกยากเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนมันฝืนเหมือนกับเปลี่ยนมือซ้ายมาใช้มือขวาเคยใช้มือขวาแล้วต้องมาใช้มือซ้ายนี่มันจะรู้สึกยากแต่ถ้าหัดทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินมันก็จะทำนานแล้วมันก็จะง่ายขึ้นไปเองยันผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นถ้ายังรู้สึกยากก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากความอดทนมาก อย่ายกธงขาวอย่ายอมแพ้เพราะถ้ายกธงขาวเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อ น, นั้นไม่มีวันที่จะไปต่อไปได้เพรานั้นต้องพยายามสู้กับมันไปก้าวช้าก้าวเร็วก็พยายามก้าวมันไปทีละขั้นก็ยังดีอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายพยายามรักษาศีลพยายามฝึกสติให้มากๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะเบาจะง่าย พอจิตสง บ, บเป็นสมาธิแล้วทีนี้ก็เริ่มง่ายขึ้นแล้ะทีนี้ก็ไปเจริญทางปัญญาพอเจริญปัญญารู้จักวิธีรู้จักหลักของอริยาาสัจสีรู้จักหลักของตายักแล้วทีนี้มันก็เอามาแก้นี่แก้สังโยชน์ต่างๆได้แกสักยายทิฏฐิซะแกะศีลพัตตประมาแก้วิจิตกิจชาได้พอแกได้ ขั้นแรกแล้วทีนี้มันก็จะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นล่ะทีนี้มันก็เริ่มจะเหมือนกับเริ่มเดินลงเขาล่ะการปฏิบัติมันก็จะคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนที่มีปัญญาแหลมคมถ้าเข้าใจคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเข้าใจหลักของอริยสัจสี่ว่าทุกเกิดจากสมุทยัยนี่ร่ยเกิดจากมรรคเนี่ย ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วมันก็จะทำให้ไปได้ง่ายไปได้เร็วแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ระดับมหาสติมหาปัญญาคือมันจะไม่ต้องสั่งไม่ต้องคอยบังคับล้ที่ต้องคอยเบรกมันะไม่ให้มันเลยเถิดให้มันมีเวลาพักผ่อนหลับนอนบ้างเพราะถ้าปฏิบัติมากๆแล้วมันมันเหนื่อยมันล้านี่มันจะไม่ได้ผลถึงแม้จะปฏิบัติแต่มันก็ไม่ได้ผล ก็ต้องเอามาพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจจิตใจก็ต้องพักผ่อนใช้งานมันมากๆมันก็ล้าได้ร่างกายมันก็เหนื่อยได้ก็ต้องมาหามัชชิมาทางสายกลางคือความพอดีต้องมีแบ่งเวลามาพักผ่อนหลับนอนไม่งั้นมันจะกลายเป็นนี้กลายเป็นอุทธจัขึ้นมากลายเป็นสังโยชน์ขึ้นมาแต่สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ เวลาไปใหม่ๆมันจะต้องเจออันนี้ทั้ทีเพราะมันเริ่มชนะแล้วันที่มันก็ได้ทีขี่แพะไล่แล้วนี่นี่อยากจะไล่กิเลสแล้วเมื่อก่อนกิเลสมันคอยไล่เราคอยปราบเราทีนี้พอเราปราบมันได้ข้ามันได้แล้วทีนี้อยากจะไล่ข้ามันเนะมันก็เลยเลยเถิดมันก็เลยฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ต้องหยุดเป็นอุทจจะก็ต้องหยุดมาพัก ในสมาธิทำใจให้สงบหายฟุ้งซ่านก่อนแล้วค่อยออกไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะสามารถกำจัดสังโยชน์ที่เหลืออยู่ให้หมดไปได้พอสังโยชน์ต่างๆหมดไปแล้วทีนี้เจตก็วิมุตติสมบูรณ์แบบหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเต็มร้อยก็เข้าสู่พระนิพพานไปเป็นพระอาหารหันตสาวกไป โดยที่ไม่ต้องไปรอรับใบประกาศจากใครโรงเรียนนี้ไม่มีผู้มามอบใบประกาศให้ต้องรับเองมอบเองให้กับตนเองเรียกว่าสันติโกถ้าปฏิบัติมันหลุดแล้วมันรู้เองมันไม่ต้องไปถามใครว่าเหมือนเรากินข้าวอิ่มแล้วไปถามคนอื่นหรืตอนนี้อิ่มหรือยังไม่ถามใครแล้วอิ่มก็ไม่กินแล้วนอนแล้ว อันนี้ก็เหมือนการภาววิมุตตแล้วมันไม่ปฏิบัติแล้วมันหยุดปฏิบัติแล้ววุชิตังบ ร, รมจารอยางแล้วกิจที่จะจำเพ็ญจะต้องทำนี้ได้สำเร็จด้วยเรื่องหมดแล้วกิจในพรหมจารินี้ไม่มีอีกต่อไป น, นี่มันจะรู้ของมันเองผู้ปฏิบัตินี่จะรู้เองเรียกว่าสันติโกนี่ก็คือเรื่องของพระรัตนตยของพวกเรา พวกเราเนี้ยถือว่าเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดอันดับหนึ่งของโลกอย่างซื้อมหาเศรษฐีพ่อแม่ของเราไม่ได้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอท่านสามารถซื้อวิมุตติให้กับเราได้นะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องติดอยู่ในกองทุกข์ของเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแตเราเป็นลูกของมหาเศรษฐีระดับวิมุตติเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เราจะได้เครื่องปรับปรับใจปรับความทุกข์ต่างๆให้หายไปให้เหลือแต่ความสุขที่เป็นบรมสุขที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังนี่เองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิทีิตังปฏิทังตุมหังคิปะเมวะสมจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวาชัญตุสัพพารโควินาสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิลิสานิจจังวุธาปจายโน จตารโหเทมาวทาติ <Ad hi. S 1> อายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามปัญหาใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวพอหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะงดถาม อย่ารอมาถามตอนปิดใหม่เพราะจะไม่ได้ถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีชาวต่างชาติเดี๋ยววันนี้ผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา354ย t u b บ319วิทยุออนไลน์18รับฟังข้างบนนี้49คนรวมทั้งหมด740ครับโอเค คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามหลังตายไปแล้วหากมีสติควรวางใจอย่างไรครับต อ, อเวลาตายมันหมดสติมันยังไม่มีสติได้ไงมันมีสติก็ตอนเป็นเนี่ยเห็นหัดวางใจตั้งตอนที่มีสติทำใจให้สงบให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาโดยการฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติ พอเวลาตายไปมันก็จะเป็นกลางจะสงบมันก็จะไปสู่สุขติไปนิพพานคำถามจากทางอินบ็อกซ์ผู้ฝากถามคำถามแรกหนูทำงานประจําแต่กำลังจะลองหัดนั่งสมาธิทุกวันขอสอบถามว่าควรตื่นเช้าขึ้นเพื่อ น, นั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเริ่มทำงานหรือว่านอนดึกขึ้นเพื่อ น, นั่งสมาธิก่อนนอนดีเจ้าคะอย่านอนดึกนอนดึกก็มันจะตื่นเช้าไม่ได้ คือเราต้องการเอาเวลามาปฏิบัติให้มากที่สุดงั้นอย่าเอาเวลาไปใช้กับเรื่องอื่นหยุดดูหนังดูละครกินข้าวเย็นเสร็จอับน้ำอาบท่าเสร็จก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนดีกว่าแล้วพอนอนตื่นขึ้นมาก็จะตื่นเช้าก็ได้นั่งต่ออีกเราต้องตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปเราถึงจะได้มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิได้มาก คำถามที่สองพ่อแม่ทำผิดศีลและล่วงเกินผู้อื่นเรื่อยๆเมื่อก่อนทนไม่ได้ก็จะเตือนแต่พี่สาวบอกว่าปล่อยพ่อแม่ไปกมใครกรมันไปว่าพ่อแม่พ่อแม่ก็เสียใจเราเป็นลูกมันบาปแต่หนูรู้สึกเหมือนเราเอาตัวรอดกลัวตัวเองบาปแต่ไม่กลัวพ่อแม่บาปขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หนูควรทำตัวและทาใจอย่างไรดีเจ้าคะ่ะ ก็ถ้าบอกพ่อแม่ได้ก็บอกว่าทำบาปไม่ดีถ้าบอกแล้วเขาเขาไม่ฟังก็ต้องก็ทำอะไรไม่ได้นี่การจะบอกพ่อแม่นี้ก็ต้องมีวิธีเพราะว่าพ่อแม่นี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเขาเป็นคนสอนเราเห็นผู้น้อยกว่ามักจะไม่สอนผู้ใหญ่เพะฉะนั้นเรื่องบาปบุญนี้พ่อแม่คงจะรู้มากกว่าเราอยู่แล้ว ยังไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกเขาก็ต้องบ่อยไปตามเรื่องของเขาเขาเป็นเรื่องของเขาเรามาดูตัวเราก็พอมาห้ามตัวเราเนี่ยไปสอนพ่อแม่ก็เป็นการทําบาปแนละ้วเราก็อยากจะทําบาปเอแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่ไม่ทําบาปแต่ตัวเราเองก็ไปทําบาปเองอังไงอย่าไปสอนพ่อแม่อย่ า, ยา implies, ไปทุกข์กับเรื่องของพ่อแม่เขา พ่อแม่เขาจะทำอะไรมันเรื่องของเขาเรามาแก้ปัญหาของเราดีกว่าคือความอยากสอนพ่อแม่ความทุกข์เวลาเห็นพ่อแม่ทำอะไรทำบาปอันนี้เรานี่แหละเป็นปัญหาของเราไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ที่ที่เรื่องของพ่อแม่เรื่องของพ่อแม่ไม่ใช่ปัญหาของเราเรื่องของเราก็คือเรื่องที่เราไม่สบายใจกับพ่อแม่เนี้ย เพราะเราปล่อยวางไม่เป็นเราถูกความคิดเราหลอกถ้าปล่อยวางก็เห็นว่าเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ตัวตรงไหนปล่อยวางก็อยู่เฉยๆแค่นั้นเองไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปเอารัดเอาอเปรียบใครมันจะไปเห็นแก่ตัวตรงไห น, นคำถามจากคุณนัชชาพอเพื่อนนอนติดเตียงใกล้จะเสียชีวิตจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้จิตเขาไปในทางที่ดีได้บ้างครับ ก็อย่าไปยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวก็ยิ่งทาให้เขาวุ่นวายใหญ่ปล่อยให้เขาอยู่ตามตามตามสภาพของเขานอกจากเขาขอร้องให้เราช่วยทําอะไรให้เขาเราก็ทําให้เขาแต่ถ้าไม่ทํารือย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเดี๋ยวยิ่งไปรบกวนเขาให้วุ่นวายใจใหญพุทโธสิพ่อฟังเทศสิพ่อเออไม่ไปรบกวนเขาเปล่าๆถ้าเขาไม่ร้องขอก็ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรสนับสนุน ช่วยเขาเขาขาดอะไรต้องการอะไรก็หามาให้เขาก็แล้วกันคาถามจากคุณประหยัดนั่งดูลมพอจะสงบมักะดุ้งบ่อยๆเราจะแก้ไขอย่างไรและเกิดจากอะไรครับก็ ร, ร, รู้เฉยๆไปนั่นเองก็ดูลมต่อไปมันสะดุ้งก็ปล่อยมันสะดุ้งไปมันเป็นธรรมชาติของเรานะที่มันชอบสะดุง้ง คำถามจากคุณเมธีเวลาทำสมาธิแล้ววูบเหมือนตกเหวสะดุ้งทุกทีครับแก้อย่างไรก็ไม่หายเป็นคนกรัวความสูงจะฝึกหัดแบบไหนดีครับก็กทำใจเฉยๆไปเท่านั้นเองมันสงบมันจะตกเหวก็มันก็เป็นอาการความรู้สึกเท่นั้นเองมันไม่มีผลเสียหายหลยใช้ปัญญาสะวันใจก็ปล่อยมันรูบไป ต่อไปเราทําบ่อยๆมันก็จะชินเองมันก็จะไม่มันก็จะไม่สะดุง้งคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีความทุกข์อยู่กับคุณแม่ที่ไรจะเกิดความทุกข์ขึ้นเจ้าค่ะเนื่องจากแม่มีความเรียกร้องเอาแต่ใจรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากเจอพยายามเลี่ยงแต่ก็ติดรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ดีจะเป็นกรรมเป็นทุกข์ใจถ้าเราเลี่ยงเจอ เท่าที่จําเป็นและเจอเท่าที่จําเป็นส่งเสียตามสมควรเราจะติดกรรมใหม่เจ้าคะ่ะในเคสนี้ถ้าเราอยากปรับให้เกิดความสงบสุขการกับการที่อยู่ด้วยการควรวางตัววางใจอย่างไรดีเจ้าคะ่ะเรามีทัศนะคติกับแม่ไม่ถูกเรามองไม่เห็นบุญคุณของพ่อของแม่ที่มีกับเราสมัยตอนที่เราเป็นเด็กนี่ เราเอาใจของเรามากกว่าพ่อแม่แม่เอาใจของเขาตอนนี้สิเองเรานึกอยากจะร้องขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ร้องดึกดึกเดนเดแม่นอนหลับยังไงก็ร้องแม่ก็ต้องลุกตื่นขึ้นมาแต่แม่เขาลขาคาญไหมเขาไม่านะําคาญเขาก็รีบมาดูเรามาดูว่ามีปัญหาอะไรร้องเรื่องอะไรหิวน้ําหรือปวดฉี่หรือหรืออะไรแม่จะรีบมาทันทีะ ถ้าทำไมตอนนี้แม่จะอาศัยเราบ้างแค่นี้เราทำไมทาตอบแทนบุญคุณให้กับแม่ไม่ได้บ้างอะไรนี้อะไรหน่อยก็หาว่าแม่เอาเอาแก่ใจตัวเองก็แม่เขาก็ต้องเอาใจตัวเขาเองเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้เขาก็ต้องบอกเราว่าเขาอยากจะได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เรามีหน้าที่ทดแทนบุญคุณของท่านก็ ควรจะดีใจเพราะว่าการได้ทำบุญกับแม่กับพ่อนี้เหมือนเท่ากับได้ทำบุญกับพาาระอรหันต์นะมีโอกาสได้ทบทานบุญคุณกับพ่อแม่เนี่ยถือว่าได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนพอเราจะเจริญจะก้าวหน้าได้นี้ต้องมีความกตัญญูกะตะเวที ยพยายามมองแม่ในมุมใหม่เนี่ยมองว่าแม่เนี่ยมีพระคุณกับเรามากเนียพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้แบกพ่อแบกแม่ไว้บนไหลให้ท่านอุจจาระปัสวะถ่ายเราลดเราเลี้ยงดูท่านไปจนวันตายบุญคุณของท่านก็ยังใช้ไม่หมดเนี่ยยันเพียงแต่มาคอยรับใช้แม่บ้างนี่ก็บดแล้วว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะเราเป็นคนที่เจ้าใจตัวเราเอง พอแม่ไม่ทําตามที่ใจเราชอบเราก็หาว่าแม่เออเาใจตัวเองเพราะไม่ทําตามที่เราอยากให้แม่ทำเนี่ยฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยเราต้องมองว่าเราเป็นหนี้พ่อแม่เนี่ยหนี้บุญคุณของพ่อแม่ถึงแม้จะทวงกันไม่ได้ก็จามแต่มันก็เป็นหนี้บุญคุณอยู่นั่นแหละที่ผู้ที่เป็นหนี้จะต้องเป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะต้องคิดชดใช้หนี้เมื่อมีโอกาส เช่นเวลาที่ต้องดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนนั้นเระต้องถือว่าเรากําลังมีโอกาสได้ชดใช้นี่แล้วถึงแม้ว่าจะใช้ไม่หมดก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช้เลยนึกถึงบุญคนนึกถึงว่าอยู่ในท้องแม่กี่เดือนแล้วออกมาแล้วเนี่ยใครเลี้ยงเราใครอุ้มเราใครให้น้ําให้อาหารเรา ให้อยู่ใหยาเราให้ที่อยู่อาศัยเราคอยปกป้องป้องกันภัยต่างๆที่จะมาทําร้ายเราก็มีแม่ของเรานี่แหละให้นึกถึงบุญคนอย่างนี้แล้วเราจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําให้กับแม่นี้มันนิดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่แม่ทําให้กับเราคำถามจากผู้ฝากถาม นกพิราบมาทำรังอยู่ประตูหน้าบ้านจนวางไข่ฟักตัวเป็นลูกนกนกเหล่านี้ทำความรำคาญใจกับคนในบ้านมากคือชอบถ่ายมูลใส่หน้าประตูทุกวันดิฉันกังวลว่ามูลนกจะนำเชื้อโรคมาให้จึงอยากจะไล่นกออกไปเจ้าคะ่ะแต่กลัวบาปจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกกรเพกดบไม่เมตตาท่้นนีงเหมือนมีคนมาสายบ้านเราอยู่หน้าบ้านแล้วล้วก็มา ทำความสกปรกที่หน้าบ้านเราแล้วก็อาจจะต้องขอร้องให้เขาขยับขยายไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าเราเป็นคนใจบุญก็เ อ, อื้อออาทร อ, อยากจะอยู่ก็อยู่ไปสกปรกบ้างแล้วก็มาคอยมาเก็บมาเช็ดมาล้างมันไปเอก็จะได้บุญได้เ อ, อื้อสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลกด้วยกันะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์นบางทีเขาก็ไม่มีที่ไปเขาก็ต้องมาสายเรา เรามีที่ให้เขาพึ่งพาสายได้ก็ให้เขาพึ่งพาสายไปทนกับความทุกข์ยากลำบากนิดหน่อยอเชื้อโลกมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าจะมีนกพิราบหรือไม่มีเดี๋ยวออกไปข้างนอกก็ติดกลับมาเยอะแยะไปหมดัน อ, อันนี้เป็นเพลงแต่ข้ออ้างของกิเลสข้ออ้างของความไม่เมตตา พอมันไม่เมตตามันก็อ้างไปหมดนะว่าไอ้นนท์เป็นไอ้นี่ไอ้นีน่เป็นไอ้นั่นขึ้นมาแต่สําหรับคนมีความเมตตาแล้วก็ไม่เคยคิดเรื่องราวเหล่านี้เห็นไหมคนบางคนเอาหมามาเลี้ยงในบ้านเต็มไปหมดเลยจนตัวเองไม่มีที่นับที่นอนเ <c oughs> นเขาก็ไม่เห็นบทว่ามีเชื้อโลกมีอะไรครับเขากับมีความสุขกับการเลี้ยงหมา <c oughs> มันอยู่ที่ทัศนคติของเราต่อสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยถ้าเรามีความเมตตามีความรักแล้วมัน ยังไงก็ได้เพอาเรามีความเกลียดความชังนอันนิดอนหน่อยหน่อยก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นปัญหาขึ้นมานั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการบุญหรือต้องการไม่ไม่ต้องการบุญถ้าไม่ต้องการบุญก็ย้ายหลังเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นคำถามจากคุณเชอร์เบล อยากถือศีลแปดตอนวันพระแต่ในชีวิตประจําวันจําเป็นต้องได้จับต้องตัวลูกชายหรือเวลาที่นั่งรถเมย์บางทีคนเยอะอาจจะโดนผู้ชายแบบนี้ศีลเราจะพร่องหมาเจ้าคะหรือเราต้องระวังไม่ให้โดนเลยเจ้าคะคือต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าทําไมไม่ให้แตะต้องกันเป้าหมายก็คือไม่อยากให้เกิดไฟของกามอารมณ์เกิดขึ้น พอเวลาผู้ชายหรือผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัวกันนี่มันอาจจะทำให้เกิดการมารณ์แล้วทำให้ไม่สามารถห้ามศีลไม่รักษาศีลข้อสามได้คือไม่ร่วมหลับนอนกันแต่ถ้าเป็นแตะตะเนื้อต้องตัวแล้วไม่มีการมารุมไม่ได้ไปทำให้ผิดศีลข้อสามก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันจำเป็นจริงๆนะอันนี้พูดจากแนวปฏิบัตินะแต่เราไม่ไปเถียงกับพวกเถตรงนะเ mm hmm. ถตรงเาก็ว่าผิดนะผิดก็ผิดนะ แตเราต้องเข้าใจหลักของว่าเขามีข้อนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อกันอะไรอย่างทําไมเราต้องเอาผ้าวางแล้วให้ญาติโยมผู้หญิงเอาของมาวางะ<ม>เพราะเขากลัวเดี๋ยวนิ้วมือเราไปแตะต้องถูกนิ้วมือของญาติโยมแล้วเดี๋ยวไฟมันจะลุกขึ้นมามเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะลาสิกขาไปเขาก็เลยไม่ให้รับของจากมือจากผู้หญิงเพราะมันใกล้เกินไป<ๆ>ก็เลยเอาผ้าวางไว้แทนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเข้าใจ อเหตุผลแล้วเราก็จะไม่ค่อยมากังวลกับมันมากบางครั้งบางคราวอาจไม่มีผ้ากับรับมันเออก็หยิบมันบางทีก็เอาของมาถวายก็ให้ก็ถือแล้วเราก็หยิบจากมือจากของที่เขาถวายมามันก็ไม่มีผ้ารับแต่มันก็ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกันอยู่ดีหรือถ้าไม่แตะเนื้อต้องตัวถ้ามีปัญญามีสติมันก็เฉยๆไปเ อ, อมันก็แล้วแ ต, แต่แต่ละคนทีนี้คน เขามองไม่เห็นข้างในว่าใจของแต่ละคนเป็นยังไงว่าใจคนนี้แตะแล้วเป็นยังไงใจคนนี้แตะแล้วเป็นยังไงเขาก็เลยว่าอย่าแตะดีกว่าอเลยถ้าเป็นถ้าดูที่ศีลเขาก็จะบอกว่ามันมันบกพร่องแต่ถ้าดูที่ใจมันอาจจะไม่บกพร่องถ้าเราไม่มีการอารมณ์กับลูกเราเนี่ยคาถามจากคุณพงษ์ พระเนรปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เนต็ตในการฟังธรรมค้นหาหลักธรรมแบบนี้ถือว่าผิดศรรีลหรือเหมาะสมหรือไม่ครับถ้าหาธรรมะมันก็เหมาะสมนะเพราะมีหน้าที่ศึกษาอยู่แล้วแล้วอินเทอร์เนต็ตก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งเหมือนหนังสือเหมือนซีดีอย่างแต่ว่าอินเทอร์เนต็ตนี้มันมันอาจจะเอานอกรูก้นอกทางได้ แานที่จะไปหาธรรมะมันอับจะกลับไปหากิเลสก็ได้เร่งก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ใช้สื่อนี้รู้จักใช้หรือไม่สามารถควบคุมบังคับให้ทำตามจุดหมายจุดประสงค์ได้หรือไม่คือศึกษาธรรมะไม่ใช่เดี๋ยวมีอะไรเด้งขึ้นมาก็ไหลาตาไปเลยคตรตามหมดแล้ว ยังถ้าเอามาใช้ธรรมะนี่แต่ครูบาอาจารย์บางองค์นี้ท่านไม่ไว้ใจพลานเนรห้ามใช้ดีกว่าออวัดบางวัดเเข่งๆนี้ท่านจะไม่ให้มีอะไรเลยแต่ไม้หลงตานี้ขนาดหนังสือพิมพ์ยังไม่ให้ดูเลยอย่ว่าแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยหนังสือพิมพ์โทรศัพท์เทวทัศน์โทรทัทรศทน์นี่ท่านห้ามหมดออให้ภาวนาอย่างเดียวเอสำนวมตาหูจมูกลิ้นกาย ตาเยาธรรมะก็รอฟังหลวงตาเทศเนี่ยสมัยก่อนหลวงตาท่านจะอบรมพระบ่อยสาม ส, สี่สี่ห้าวันก็จะเรียกมาอบรมที่หนึ่งยไม่ต้องไปศึกษาจากหนังสืออะไรหนังสือก็อ่านหนังสือของหลวงตาเนี่ยที่ท่านมี มีพิมพ์แจกก็อ่านได้ช่วงที่อยากจะอ่านธรรมะแล้วเละดวงตายังไม่มีเวลามาเทศมาสอนก็ไปอ่านหนังสือของท่านแทนก็ได้ทำไมอยู่กับท่านนี้เราอ่านหนังสือวันละชั่วโมงหนังสือของท่านเนี่ึงเพราะว่ามันเป็นทั้งสมาธิทั้งปัญญาเหมือนเป็นการฟังธรรมเพราะธรรมของท่านนี่เป็นเหมือนตอนที่ท่านพูดเลยอ่านแล้วจิตมันก็ตาม ติดตามเกาะติดไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้จิตมีสมาธิมีความสงบแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในธรรมในแ ง, ง่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจึงจงแบ่งเวลาไว้วันหนึ่งต้องอ่านหนังสือธรรมะสักชัว่วโมงเป็นการเหมือนคอยดูแผนที่ว่าเราเดินทางไปนี้เราทำถูกก็ทำผิดอย่างไรถ้าทาไม่ถูกเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที มม่งั้นอาจจะหลงทางไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะว่าไม่ไม่ว่าจะผ่านแหล่งไหนก็ตามก็ใช้ได้ทั้งนั้นอะ่ะเพียงแต่ว่าเราสามารถทำให้มันเป็นไปตามจุดประสงค์ของเราได้หรือเปล่ากลัวจะไทยไลย์ทะลายหรือกลัวจะอ้างว่าศึกษาธรรมะแต่ที่ไหนได้ศึกษาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ คบาจารย์กังวลห่วงใยลูกศิษย์ลูกหาจึงมักจะหามาตรการป้องกันเกอห้ามดีที่สุดวัดสลายนั้นไม่มีหนังสือพิมพ์ให้ดูไม่มีโทรศัพท์ให้พูดคุยกันไม่มีทีวีให้ดูไม่มีวิทยุให้ฟังปิดหมดแม้แต่ออกไปข้างนอกยังไม่ให้ไปเลยออกไปรับกิจนิมนต์ก็ไม่ให้ไป พอเวลาไปรับกินนิมนต์ในบ้านในเมืองเดี๋ยวก็เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ยั่วโยนกวนใจขึ้นมาเดี๋ยวกลับมาถึงวัดแล้วมันเอาติดกลับมาวัดด้วยนี่กลายเป็นสัญญาอารมณ์นั่งสมาธิแทนจะอยู่กับพุทโธกลับไปอยู่กับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสที่ไปเห็นในบ้านในเมืองมันก็เลยทําให้การการปฏิบัติล่าช้าหรือถอยหลังเพราะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ ยันน้งหลงตาท่านจะไม่อนุญาตให้พระเนนรับกิจนิมนต์ถ้ามีกิจนิมนต์จำเป็นหลวงตาท่านจะรับเป็นตัวแทนของวัดไปองค์เดียวอหรือนานๆทีก็อาจจะเอาพระผู้ใหญ่ไปด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะไม่ให้พระเนนออกนอกวัน แม้แต่ธรรมเนียมที่ให้พาไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์รมวัดในช่วงเข้าปรรษาก็ไม่ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาไม่ท่านไม่พาไปกราบหลวงปู่องนั้ น, น, นกราบหลวงปู่องนี้ะถ้าบอกกราบท่านองเดียวก็พอกราบพระพุทธเจ้าก็พอเหมือนกันเไปกราบหลวงปู่องนั่นองนีน้ท่านก็สอนเหมือนกันให้ไปปฏิบัติทุดดองเขาวัดให้ปฏิบัติกรรมฐาน ยันออกไปแล้วเดี๋ยวมันเหมือนกับที่พูดนะพอเวลาออกจากกงมันก็เหมือนไก่บินนะเวลาพอกลับเข้ากงมันก็เหมือนหากินนะมีคำถามยังไหมโอเคจะใครอยากจะถามอะไรก็ป่าถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ